ปับบตานิวนานิจจอารามรุกขเจตยานิมนุษยาปยตจิตานิทังโกสารณังเกมังนตทังสารณมุตตมังนิังสารนามะกามะสัปปะดุขาปมุจจะติติ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 ที่กล่าวมาลีก็จะมาได้ยกบาลีขึ้นเป็นอุเทสบทในเบื้องต้นแห่งพระธรรมเทศนานี้ว่าบังหุ้งเวสระนังยันติปปตตานิวา น, านิจะอารามรุกเจตยานิมนุษยาปยญาตาจิตามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคู่ขามแล้ว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 อันได้แก่ทานศีลภาวนาน่าจะที่พึ่งภายในนี้ทำให้เราพ้นทุกข์ได้ที่บอกว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมีภัยคุกคามแล้วก็คือเอาป่าไม้บ้างภูเขาบ้างไปเห็นป่าไม้ต้นไม้ก็ไปไหว้ต้นไม้กราบต้นไม้ภูเขาก็ไหว้ภูเขา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 ทุกเนี่ยมันเกิดจากเหตุที่เป็นสมุทัยให้เกิดทุกถ้าบอกว่าเนตังโคสารนังเคมังเนตังสารนามุตตะมังเนตังสารณามะกัมมะสับประรุค้าะมุจฉิตินั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันกเกษมเลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยสาระนั่นแล้วย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ โยจะบุตรันจะดรำมันจะสร้างกันจะสรณะงัดตัจัตาริอริยสัจจานิสั ม, มปัญญายาปสติท่านวัดส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะนะแล้วเห็นอริยสัจคือความจริงอันเป็นเสิยสีด้วยปัญญาอันชอบ ถือเอาพระพุทธพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเห็นเอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าตัดสั้เห็นยังไงดุขังดุขสมุปปังดุขัสัจจะติกรมังอรยิยจัดทังยิ ก, ง ก, กังมรังดุขู้ปสมะ า, ามิหนังคือเห็นทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ ความก้าวล่วงทุกข์เจียได้และหนทางมีองค์แปดอันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์เอตังโคสารนังเขมังเอตังสารณมุตตมังเอตังสระะารนามะกามะสัปะปะ دو ฆะปมุตตินั่นแหละเป็นที่พึ่งอั น, กนเกษมนั่นแหละเป็นที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยสาระนะ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 ทุกคนรู้อยู่แก่ใจว่าเราทุกข์เพราะความคิดถ้าไม่คิดก็ไม่ทุกข์มันคิดเฉยๆไม่ได้มันต้องมีสมุทัยก็เหตุให้เกิดทุกข์เกิดในออตัณหาความอยากทุกอยากทำอยากมีอยากเป็นอยากทุกอย่างอยากไปหมดจนเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เพิ่มทุกข์มากขึ้นก็ต้องดับตัณหาคือดับความอยากถ้าดับความอยากไม่ได้มันก็ ไม่พ้นทุกหรือทุกมันก็ไม่พ้นชั่วขณะแม้ว่าเราต้องการให้ความทุกมันพ้นอยู่ไปชั่วขณะใดขณะหนึ่งไม่ได้พ้นหมดหรอกเหมือนลุงปู ด, ดูลที่ว่ามีคนไปถามท่านว่าลุงปูยังมีความโกรธอยู่ไหมครับมีแต่ไม่เอาท่านปูดกันมีแต่ไม่เอาคือปล่อยวางไม่เอาคนนั่งสมาธิไปเห็นนิมิตเห็นนนเห็นนี้ ก็ไปถามท่านว่ามิจฉาเป็นยังไงหลวงปู่ท่านก็บอกว่าไอ้ที่เขาเห็นนเห็นจริงแต่ว่าไอ้สิ่งที่เห็นนั้ไม่จริงท่านพูดคมมากหลวงปู่หลวงพ่อนหลายนี่ความทุกข์เพราะเรายึดอะไรที่จะเป็นเหตุให้ความทุกข์กลับท่านว่าอาริยมรรคมีองค์แปดที่เราสวดกันนะค ร, รับมาจาก เห็นชอบดั่รเชอบเจราจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเพียนชอบไรชอบตั้งใจชอบเมื่อสรุปจริงๆก็ต้องมีอยู่สามอย่างมักมีองแปดสรุปแล้วเหลือศีลสมาธิปัญญาศีลความรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลมีศีลแล้วมันก็พ้นทุกไปอีกเปลาะหนึ่งนะ ถามว่าเรามีศีลไหมพระพุทธเจ้าพระให้ศีลก็สรุปศีลให้ฟังทุกครั้งจนเราได้ยินแล้วก็รู้สึกมันธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษสิเรนะสุยะจริงยันติศีลทำให้เกิดความสุขจริงไหมจะตอบได้ไหมว่าจริงไม่จริงอยู่ที่ตัวเรา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 จะมีทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะเป็นผู้มีศีลมีทรัพย์สมบัติแล้วไม่มีศีลทรัพย์สมบัติมันก็ไม่อยู่กับคนไม่มีศีลก็ไปทำอย่างอื่นปเล่นการพนันเช่นว่าเราคิดว่าเล่นหวยซื้อหวยจนกระทั่งว่าชุดวันนี้เราไม่คิดนะว่าหวยนี่เป็นการพนันลืมไปแล้วว่าหวยนี่คือการพนันตัวร้ายที่สุดนะเราลืมไป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 มีความสามารถในการทำงานเรียนรู้มาตามวิชาที่เรียนรู้มาเข้าใจพูดได้ช่วยๆๆๆแต่ทำไม่ได้กับคนที่ทำได้แล้วก็มาพูดมันต่างกันนั่นแหละสิ่งเรียกว่าความจำกับความจริงไม่เหมือนกันศีนี่ง่ายที่เราได้ยินใช่ไหมออว่าถ้าเรามีสีแล้วเราก็มีหลักประกันชีวิตทั้งห้า ทั้งห้าข้อทั้งห้าหลักโดยที่ถ้าเราเข้าประกันกับบริษัทพระพุทธศาสนาที่จริงจะมาพูดเจ๋อเจ๋อแล้วก็มาบริษัทพระพุทธศาสนามันเป็นยิ่งกว่า บ, บริษัทสมมุตินะว่าเป็นพุทธบริษัทหรือเป็นบริษัทของพุทธศาสนาของพุทธศาสนาิกจนขึ้นมีอยู่สี่หุ้นมีภิกษุภิกษุณีอุบาตกอุบาสิกาเนี่ยท่านบอกให้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 ถ้าจะอยู่ร่วมกันในสังคมที่ที่สุดเป็นหลักประกันที่ดีต่อกันก็คือต้องมีศีลข้อที่สี่คือพูดเท็จไม่เอาสวาเสียดคําหยาเพื่อเจอ่อไม่เอาก็เป็นหลักประกันที่เราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพราะมีหลักประกันข้อที่สี่คือศีลมุสาวาตเรารักษาได้ส่วนข้อที่ห้าหลักประกันทางสุขภาพจะแข็งแกรง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 พอพูดคำนี้กันมาเนะี่ยธรรมาก็อึ้งนะเอะบรรยากาศความเป็นเพื่อนมันก็ลดลดลงนะก็เลยถามว่าเออขอโทษที่คนเคยเคยบวชได้ยังไม่ไม่เคยนะครับผมไม่เคยบวชแล้วผมก็บวชไม่ได้ด้วยเอาทําทไมบวชไม่ได้บวชแค่สามเดือนก็ได้เดือนหนึ่งก็ได้นะผมเป็นอิสลามอา่าแล้วกัน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 227ข้ออาจารย์สอนแล้วไม่รู้จะรักษาข้อไหนก็จะสึกแล้วพระพุทธเจ้าเลยบอกว่าเราจะให้เถือรักษาศีลข้อเดียวได้ไหมได้พระเจ้าค่ะตรงตัดว่าให้เถือรักษาใจเพียงข้อเดียวก็แล้วกันตัมมาก็บอกคนนั่นที่นับถืออิสลามบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าศีลจะมีกี่ข้อก็แล้วแต่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 อธิบายเรื่องสีเนี่ยมันละเอียดเหมือนกับมนุษย์จะทำไม่ได้รักษาไม่ได้ทำยังไงหลวงปู่มั่นบอกว่าท่านชา้าเอาแค่สองอย่างนะหนึ่งหิลิสองโอตตปะย่มรู้ใช่ไหมฮิลิคืออะไรความรายเกลียดใจโอตตะปะความเกรงกลัวสองข้อนี้เท่านั้นนะจะรักษาสีได้หมดทุกข้อทุกอย่าง ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่มีพรารามห้าคนรักษาศีลคนละข้อคนละข้อห้าคนห้าข้อก็อวดกันทะเลาะ ก, กันว่าตัวเองเก่งรักษาศีลได้ดีรักษายากข้อนี้ก็รักษายากบอตกลงไม่ได้กไปหาพระพุทธเจา้าไปกราบทูลถามพระพุธทธเจ้าพรงตจัดว่าพราหมณ์ศีลทั้งห้าข้อนั้นน่ะ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 หลวงพ่อบรกูวะที่พูดอย่างนั้นที่ขออย่างนั้นเขว่าถ้ารักษาศีลข้อใดข้อหนึ่งแล้วข้ออื่นก็จะตามมาได้นะวก็รักษาศีลข้อเดียวก่อนในห้าข้อนั้นเป็นเรื่องดีที่เดียวมีคนส่งลายไปให้ขอโทษหนะ้าที่ใช้คำว่าดูลายอ่านลายก็ไม่กี่วันนะรู้สึกจะคนนั่งในนี้เลยส่งไปให้คนพูดถึงประวัติหลวงปู่จันเรียน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 บ้านหนองโบบานหลวงปู่ชอบเล่าย้อนหลังว่าวันนั้นเป็นวันที่เทวดาอนุโมตนาสาธุหลวงปู่เจริญตั้งแต่ลงจากบันไดบ้านไปถึงวัดที่สองประทีปให้สว่างสวไปถึงหลวงปู่วัดหลวงปู่หลวงปู่อ่อนพอไปถึงแล้วอยู่วัดแล้วก็บวช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 ตั้งแต่บวชไม่กี่วันนั้นนะถามว่าตอนนี้ท่านเป็นพระรหันต์ยังยังยังไม่เป็นรู้หมดท่านอยู่กับหลวงปู่อ่อนหนึ่งพรรษาทุกวันที่ไห ว, ว้พระสวดมนต์เสร็จหลวงปู่อ่อนก็จะเทศเทศหลวงปู่จันเรียนก็จะนั่งกำหนดพี่จะรนาลุ้หมดว่าหลวงปู่จะเทศเรื่องอะไรรู้หมดตามหมดเหมือนคน ค่อยฟังอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่อ่อนท่านก็รู้ท่านก็รู้ว่าหลวงปู่จเจรียญเนี่ยพอออกพรรษาแล้วหลวงปู่อ่อนก็บอกว่าท่านจเจรียญเราไม่ใช่ครูบาอาจารย์ท่านจิตของท่านโดลดโผนมากท่านจะต้องไปอยู่กับครูบาอาจารย์ที่มีจิตโดลดโผนเหมือนท่านถึงจะสอนท่านได้ท่านนั้นก็คือหลวงปู่ชอบ จังหวัดเลยพูดฉะนั้นออกปรรษาท่านกราบลาลุงปู่อ่อนเดินทางจากหนองบัวลำพูจากกุฎอนไปจังหวัดเลยใช้เวลาสองวันไปถึงเวลาพบใกล้ใกล้ค่ำใกล้ใกล้จะค่ำก็เห็นลุงปู่ชอบกวาดวัดอยู่ท่านก็เข้าไปคุกเข่ากราบลุงปู่อ่อนพูดว่า จะเรียนมาแล้วหรอือเราว่าจะไปวิเวกที่อำเภอพูเรือรอเธออยู่สองวันแล้วหลวงปู่จันเรียนเกิดอัศจรรย์มาเอ๊ะเราไม่เคยรู้จักท่านท่านก็ไม่เคยรู้จักเรา ค, รคําแรกที่ท้าท่านบอกชื่อเราแล้วก็ท่านบอกว่ารอเรามาสองวันแล้วนี่เราเดินทางมาสองวันถ้าเราไม่เดินทางมาสองวันนี้ท่านก็ไป ผู้เหลือแล้วนะท่านเกิดอัาจารย์มาท่านรู้ได้อย่างไงว่าเราชื่อนี้เสร็จแล้วท่านก็ปรงใจว่าท่านผู้นี้แหละจะเป็นอาจารย์สอนถาอนธรรมเราแต่ท่านก็อยู่กับหลวงปู่ชอบเป็นหัวหน้าพระอุปถัมภ์อยู่มาระยะหนึ่งทีนี้ท่านก็ตั้งใจว่าถ้าไม่ได้เป็นพระหรหลังจะไม่กลับบ้าน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 ไปหาแม่คำแรกที่โยมโยมแม่ถามถามท่านผู้ที่นำยากับจดหมายไปให้ว่าหมอมหมอมเลียนทางอินสารจะเรียกพระเรียกหม่อมหมดนะหมอมหม่อมเลียนไม่มาบ้านหรือไม่มาดูแม่หรือพูดนั้นผู้ที่ฟังนะยังกระเทือนใจว่าเอ อ, อความรักที่แม่มีต่อลูก กับความรักของลูกที่มีแต่แม่ก็มีแต่ว่าท่านไม่ไม่ต้องการเสียสัจจะความทั้งใจว่าไม่ได้เป็นอาละหวังนะไม่กลับบ้านตั้งใจอย่างนั้นพอพอตัวนี้กลับมาหลวงปู่เจรินก็รีบไปถามพอถามแล้วก็เล่าความจริงคําพูดทุกคําให้ฟังพอฟังคําเจ็บท่านไม่พูดท่านเดินเดินหนีเข้าทางยงกมุมภาวนาทั้งวันทั้งคืน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 ตั้งจากนั้นมาท่านหลุงปู่ชอบบอกว่าลูกศิษย์เราที่สอนมาฝึกมามีท่านจะเรียนองค์เดียวที่รู้ทมเร็วที่สุดท่านบวชปี2506บรรลุธรรมตามที่ประวัตินี่นะ2509ก็4พรรษาเท่านั้นเองหลุงปู่ชอบยังพูดลักษณะพูดเล่นๆว่าเจ๊เกะ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 อัธังคิโกจะมรรานังเขมังอมตะามินังในบรรดาทางนั้นทั้งหลายนั้นทางมีองแปดเป็นทางอันเกษมให้ถึงอมตะธรรมทางมีองแปดทางทุกทางทางบกทางเรือทางอากาศสู้ทางปฏิบัติไม่ได้ทางปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญา นะศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยด้วยใจเป็นเป็นคือควบคุมสติสมาธิความรักษาใจมันการตรวจมนุ์ภาวนาไม่ควรจะขาดโยมเราเป็นชาวพุทธขอโทษอาจมาประเทศที่ไหนก็จะยกตัวอย่างนี้อยู่บ่อยๆที่ตรงนี้ยังไม่ไม่เคยมาก็ขออนุญาตยกตัวอย่างถึงท่าน อาตมารับที่มนไปฉันที่ประทับสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาพรเวรไรักที่ที่ปจิมบุรีตอนก่อนท่านมีที่ประทับปฏิบัติธรรมที่ปจิมบุรีไม่ไกลาจากวัดอาตมาไปวันนั้นเป็นการสวดมนต์ฉลองที่ประทับอาตมาก็ไปนั่งสวดมนต์ด้วยอยู่ใกล้ๆกล้ไปฉันสวดมนต์เย็นก็ไปฉันเช้า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 ท่านพูดย้ำนะว่าลูกไม่ได้หลับลูกนั่งสวดมนต์อยู่มีผู้ชายคนหนึ่งมาเดินวนรอบตัวลูกแล้วก็พูดว่าคุลักคู่คุรักคู่คุรักคู่คคลูกก็สวดมนต์เรื่อยไปสวดมนต์เรื่อยไปจบเสร็จแล้วก็มาพิจารณาถึงคําว่าคุรักคู่ก็ได้ความว่าแปลว่าเพลิดเพลินสนุกสนาน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 อาดมาบินทะบัดหันหลังให้ร้านข้าวมันไก่อือเจ้าของร้านข้าวมันไก่เอาเข้าวมันไก่สี่ห้ากล่องแล้วก็บัญชีลายชื่อผู้ตายเยอะเลยเป็นหางว่าเอามามอบให้กับคนที่กำลังใส่บาทบอกว่าฝากทาบุญด้วยฝากกรวดน้ำด้วยเขาเป็นมุสลิมโยมเป็นคนไทยผู้หญิงแหละแต่ว่าไปแต่งงานกับ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 ลูกยอมแล้วพราลูกตกใจกลัวมากท่านพูดเหมือนกับจะถามว่าหลวงตารู้ไม่ว่าใครมาเขียนประมาณนั้นหลวงตาท่านก็ไม่พูดโยมลงมาคิดนะเอาว่าใครข้าหลวงในนั้นจะไปนอนดูดนอนร่วมกวับท่านจะจะไปเขียนท่านอย่างนั้นเลยไม่มีใครกล้าทำอยูแล้วนะ ถ้าอนมาพิจารณาอย่างผู้ไม่มียานก็บอกว่ า, าผีเวียดนามนเอาปากกาไปเขียนที่พระพัก่านอาทิหน้าท่า น, นเป็นเรื่องจริงที่ฟังมาด้็ยตัวเองโยมจำได้ไหมหลายคนคงจะได้รับหนังสือที่เรียกหลวงตามาหาบวัวเล่มใหญ่หนักห้ากิโลเก้าร้อยหรือพันหน้าสมเด็จเจาฟ้าจุลาพรท่านส่งเขียนคำอะไรถึงหลวงตามาหาบัว ท่านบอกว่าครั้งหนึ่งท่านมีทุกข์มากเข้าออกโรงพยาบาลวิเชยุตอยู่ประจาน้ำหนักลดลงเลื่อยจนกระทั่งเหลือสามสิบปกกิโลกับคนที่อยู่รอบข้างก็เป็นทุกข์มากบอกว่าอไปนี่มนพระที่ไหนมาเทศพูดแล้วก็แล้วไม่หายท่านว่าก็พ <c oughs> อดีมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดขึ้นในที่นั้นในที่โรงพยาบาลวิเยุต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 ทำให้มากเจริญให้มากทำน้อยเจริญน้อยก็ไม่ได้เมื่อสักครู่อาตมาคุยกับท่านผู้หนึ่งว่าเคยไปปฏิบัติกับหลวงปู่จันเหลียนท่านบอกให้นั่งสี่ชั่วโมงท่านก็ไม่ในความรู้สึกไม่ไม่กล้ารับกลัวจะนั่งไม่ได้พอหลวงพูอ่บอกว่าเอาชั่วโมงนึ่งเอารีบรับรับในใจทันทีว่าได้เมื่องานหลวงปูล่ลีที่ผ่านมาอาตมาได้มีโอกาสกราบหลวงปู่จันเหลียน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 ผลได้ก็คือว่าทำให้เราสังคมเรามีความสุขเพราะเจ้าอยหัวเคยตรัสถามหลวงปู่ว่าถามหลวงปูงป่ขาวว่าหลวงปู่มีอะไรดีคนถึงมาหามากมายทุกวันหลวงปู่บอกว่าไม่มีอะไรหรอกมีแต่ศีลเท่านั้นแหละเห็นไหมโยมกลิ่นของศีลกลิ่นของความประพฤติปฏิบัติ อย่างงานที่แล้วหลวงปู่หลี่คนเป็นแสนแสนไม่น่าเชื่อว่าผู้คนจะมากมายอำนาจของศีลอำนาจของสมาธิอำนาจของปัญญาทท้งนั้นแหละอย่างหลวงปู่ดูลนะที่พระเจ้าอยู่หัวถามมาการละกิเลสจะละตัวไหนก่อนโยมถ้าเราถูกถามโดยพระเจ้าอยู่หัวท่านถามหลวงปู่ดูลการละกิเลสจะละตัวไหนก่อน ท่านบอกว่ากิเลสทุกตัวเกิดขึ้นที่ใจตัวไหนเกิดก่อนก็ละตัวนั้นก่อนกิเลสคืออะไรโยมสิ่งที่ทำให้จิตใจสมองมีอยู่แค่สามอย่างไม่ได้มากกิเลสโลภโกรธหลงตัณหาคือความทยเยทยานอยากการมาตัณหาเพราะตัณหาปิบวัตตัณหา เราเป็นยปุตควรรู้สิ่นห้าควรรู้ว่ากิเลสคืออะไรตัณหาคืออะไรขันห้าเป็นยังไงอริ ย, ยสัจสี่เป็นยังไงเราจึงปฏิบัติมาแล้วอ่านมากๆอ่านแล้วมันเข้าใจมันปฏิบัติเมื่อจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองทั้งหมดแหละมันเป็นสมาธิทําไมเวลานี้ทั่วโลกรู้จักสมาธิมากขึ้นส่วนหนึ่งอยากอะไรอจากคนไทยเราที่เป็นนักผู้บริไปติดอยู่ในธรรม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 กุบาท่านก็เก่งท่านมีส่วนช่วยอยาสำคัญที่สุดนะต้องยกย่องต้องนับถือตอนให้เครดิตท่านนะกูะบาไม่ใช่ธรรมดาโยมจำได้ไหมที่กูบาพูดถึงกูบาชื่ออะไรลืมแล้วกูบ า, บาบุญชุม่มที่จิตรู้จักกูบาบุญชุม่มเห็นไหมโยมมีคนอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพเพเรบูรณเป็นดอกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ แล้วก็ตอนนั้นผู้ ว, ว่านี่เป็นนายอำเภอหนึ่งอยู่ในจังหวัดน่านมีเพื่อนผู้ว่าเป็นนายอำเภอจังหวัดแม่สายผู้ ว, ว่าที่อยู่น่านนะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นเขเคารพนับถือกูบาบุญชุมมากเชื่อมากแล้วก็พาเพื่อนที่เป็นนายอำเภอเนี่ยไปกลับ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 ก็ไปได้แค่สามวันงานมากหรือจะขี้เกียจก็ไม่รู้นะเราจะมองว่าขี้เกียจแต่รางคนไม่เชื่อเลใช่ไหมเออเสร็จแล้วก็ไปได้สามวันก็ถึงมันเกิดก็จัดงานมันเกิดใหญ่ตโตที่อำเภอตกลงกันพยายามดูแลแม่ให้ในอำเภอออกจากอำเภอก่อนเที่ยงคืนฉลองกันที่อำเภ อ, อปรากฏว่าพอถึงเที่ยงคืนปักก็ชายโยโ吼ร้องว่าในอำเภอปลอดภัยไม่ตายแล้วพวกถือสมัยใหม่ไง ถือโลกตะวันตกนะพวกวดดีไม่ถือตามพระพุทธญาเพระกบว่าในพระก็เดินมาส่งคนที่อุปถัมภ์ส่งพ่อค้าที่เ็าช่วยเหลือในงานมาส่งเดินมาส่งที่รถลูกน้องตัวเองจะตาดรถชนตัวเองตายคาที่อยมนี่พวกถือสมัยใหม่ ถ้าสมมติว่าเออเราเชื่อเรื่องกรรมว่าถึงเวลายังไงมันก็ตายอยู่วัดเกียตวันอาจจะตายก็ได้แต่ว่าเรามองอย่างเงี้ยนึ่งไงทไมเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างงั้นพวกเราถือศีลแปดท้าศึงแล้มีเกียถึงเครื่องคืนก็อนเอาเอาหารมาฉันกันเนี่ยมากินกันเนี่ยไม่ใช่เราไปถือตามโรคตะพันตกจงกระทังว่าไม่สามารถที่จะเอากลับมือคืนได้นะมันก็เลยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างงั้นครูบาท่านก็มีญาณของท่านเป็นปฏิปทาของท่าน ท่านก็สั่งไว้ถ้าท่านรักขันแล้วท่านไม่ให้เอากลับเมืองไทยท่านก็แปกกันไม่เอากลับเมืองไทยเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทาคือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคนเพราะรังเขตื่นตัวคนมากมายทำไมเขาต้องการช่วยเหลือคนที่พิษถึกในถานขนาดฟุตบอลโลกยยังยังซาไปเพราะ เพราะข่าวนี้นะเห็นไมมเด็กต่างประเทศคนหนึ่งร้องไห้เอาจักรยานมาซ่อมบอกว่าซ่อมจักรยานแล้วจะมาช่วยคนไทยเนะี่ยเขาพูดด้วยด้วยด้วยความไร้เดียงสาเนะี่ยมันมันจิตใจเขาเนื้อเกองไลยทำไมเขารักคนไทยในช่วงนั้นนะเพราะคนไทยเป็นคนมีจิตใจดีมีศีลมีสมาณี่มีปัญญามากเนะี่ยเราจึงได้รับความเมตตาจากชาติอื่นซึ่งไม่เคยปรากฏมีมาก่อนเลย เป็นที่น่ายินดีฉะ น, นั้นเราก็ให้เห็นความสำคัญเราอยู่กับเมืองไทยอาจจะมารู้จักภาคเกาหลีรูปหนึ่งไปพบกันที่อเมริกาท่านท่านก็ถามท่านเราก็ตัํากังถามก็ตั้งคำตอบไว้ในใจถามท่านว่าท่านคิดว่าพระพุทธศาสนาประเทศไหนเจริญที่สุดเราก็คิดว่าต้องเป็นประเทศไทยนึก คำตอบไว้ในใจแล้วท่านบอกว่าประเทศพมา่าครับผมไปมาทั่วโลกแล้วประเทศพมา่าเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาจเจริญที่สุดคือจเจริญในด้านการปฏิบัติเมืองไทยมากจริงแต่ปฏิบัติน้อยแล้วท่านก็อัศจรรย์ท่านเอาประทาตที่เป็นเหมือนเหมือนอะไรที่ลูกลูกโบลิ่งที่เขาโยนไะแล้วก็มีเขาจะมี ตลับใส่พระธาตุท่านบอกว่ามีคนได้รับพระธาตุจากพระราชนีมาสามองค์เอามาถวายท่านท่านก็เก็บไว้แล้วก็ติดไว้กับกระเป๋าเสื้อตลอดเวลาคุยกันกลับมาที่วัดที่ดลที่เช็กซ์ท์ทมาก็เลยท่านเคยเปิดดูไหมไม่เคยเปิดเลยผมไม่อยากเปิดผมอยากดูเปิดให้ผมดูได้ไหมท่ามาก็บอกท่านได้ครับก็เปิดให้ดูปรากฏเป็นเก้าองค์โอ้ท่านน้าตาไหลท่านบอก เป็นไปได้ยังไงท่านท่านไม่เคยรู้เรื่องนี้อัจจจันทร์มากผมรับมาดิเก้าสามองมาเป็นเก้าองอัจจจันทร์หรือปิดนี้ผมไม่เคยเปิดเลยผมกลับไปกลีผมจะไปสร้างเกดีแล้วก็ประกาศให้คนรู้ถึงความอัจจจันทร์ของพระพรทมศาสนาและ ล, ะละิขิตท่านพูดท่านน้าตาไหลท่านปลื้มใจเราทั้งหลายเป็นชาวพุทธอยู่กับพระพุทธศาสนาอยู่กับเมืองไทยอย่าใกล้เกลื่อนดัง ใกล้เกินจริงทุกคนเป็นอุบาสกอุบาสิกาแบบว่าผู้นั่งใกล้พระราชกันทร่เราใกล้จริงไหมใกล้อะไรใกล้ทานใกล้ศีลใกล้ภาวนาอใกล้จริ ง, จ ร, งจริงไหมถ้ายังไม่จริงเราก็ให้มันจริงเอาศีลห้าสักอาอาทิตย์ละครั้งได้ไหมโยมได้ยินไหมเมื่อก่อนที่พระเจ้าอยู่หัวได้ครันธที่เก้าเจ็ดวันท่านทําอะไรท่านอยู่กับสมเดียดญ้าห้าวัน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 ก็ถือเอาอย่างอื่นต้นไม้บ้างปูกเขาบ้างอาลามลูกกระดิเป็นที่พึ่งแต่ไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดถ้าเรามีที่พึ่งอันสูงสุดคือพระรัตนตรยัยแล้วก็มีปัญญาเห็นความจริงสี่อย่างที่เรียกว่าอริยสัจ ส, สี่ด้วยปัญญาอันชอบนะโยมด้วยปัญญาอันชอบเห็นทุกเหตุให้เกิดทุกความก้าวร่าง เขา่วงทุกข์จะได้และหนทางมีองค์แปดเครื่องถึงความดังงับทุกข์นั่นแหละเป็นที่พึ่งอันเกษมคําพระเกษ ม, มคือปลอดภัยไม่มีอันตรายเรามีภูษเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วปลอดภัยไม่มีอันตรายทางใดทั้งปวงอนตมาภาพ